พจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ8ปดถึงยี่สิบความว่าในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเจ้าสองร้อมรอบเขาและเขากลัวนักฟ ทูตองค์นั้นก็กล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานําข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงท่านทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระกิจเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสําคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้า อ, อ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้น มีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสริจงมีแก่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีแกม่มนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานั้นเมื่อทูตสวรรค์หเหล่านั้นได้ไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยนแก่ได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปพบนางมารีและโจเซฟและพระบุมารนั้นนอนอยู่ในรางย่า <c oughs> ข้าเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ได้ยินถึงพระบุมานั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ปราดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแก่ได้บอกแก่เขาฝ่ายนางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจและระลึมเพลิงอยู่ คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์นี้ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้ว อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สามของเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะคะเราก็เริ่มจุดเทียนมาทีนัเล่มตอนนี้ก็ถึงเทียนเล่มที่สามคือเทียนสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นเทียนของคนเลี้ยงแกะเราก็นับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสนะคะพระธรรมลูกาเป็นพระธรรมตอนเดียวที่กล่าวถึงทูตสวรรค์หรือข่าวแห่งการมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ เ, เจ้า ได้ถูกแจ้งให้แก่คนเลี้ยงแกะลูกาเป็นพระธรรมเล่มที่สะท้อนให้เราเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์ทรง ม, มีความเมตตาและเอาใจใส่กับคนที่อยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยในสังคมหรือคนจนคนบาปคนเก็บภาษีคนต่างชาติหญิงไม้เราจะเห็นว่าถ้าเราอ่านในพระธรรมลูกาก็จะมีหลายเรื่องที่พูดถึง เรื่องที่ในพระธรรมในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆไม่ได้กล่าวถึงเอาไว้เช่นเดียวกันกับเรื่องของการมาประซุ่นขององค์พระเยซุคริสเจ้าที่ถูกแจ้งให้แก่คนเลี้ยงแกะได้ทราบเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาทูตสวรรค์ได้ปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะแต่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทูตสวรรค์หนึ่งคนแต่เป็นเหล่าหมู่ทูตสวรรค์ ทำไมต้องคนเลี้ยงแกะลูกาบทที่สองข้อที่8ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนณวันนั้นเวลานั้นคนเลี้ยงแกะเขาก็ทําดําเนินชีวิตตามปกติของเขาก็คือเฝ้าฝูงแกะดูแลแกะปกป้องแกะ โดยปกติแล้วคนเลี้ยงแกะก็จะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเร่ร่อนไปเรื่อยๆอะคะ่ะไปพาแกะเดินทางไปในที่ที่มีหญ้าในที่ที่มีอาหารพอที่จะให้แกะได้รับประทานก็ต้อนแกะไปชีวิตของคนเลี้ยงแกะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากมีอาหารแล้วก็แกะหน้าที่ของเขาก็คือการเฝ้าดูแลแกะดูเหมือนว่า เป็นงานที่น่าเบื่อแต่จริงๆแล้วงานของคนเลี้ยงแกะหรือว่าคนเลี้ยงแกะงานของเขาค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเวลาที่เขาดูแลแกะนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมาป่ามีทั้งหมีมีทั้งสิ่งที่เป็นอันตรายมากมายที่จะมาจ้องที่จะมาขโมยเอาแกะหรือว่ามาฆ่าลูกแกะชั้นหน้าที่ของคนเลี้ยงแกะคือการปกป้องและดูแลลูกแกะของเขา แ, แล้วในค่ําคืนวันธรรมดาในค่ําคืนนั้นมีทูสวรรค์องค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเป็นเจ้าล้อมรอบเขาและเขากลัวนักฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานําข่าวดีมายัางท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดทำไมต้องคนเลี้ยงแกะเพราะว่าพระเจ้าเลือกเมืองเล็กๆที่เบดเลเฮมและพระเจ้าก็เลือกคนเลี้ยงแกะคนที่ในสายตาของมนุษย์นั้นก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้โดดเด่นอะไร เป็นบุคคลที่ไม่ได้ดูสลักสำคัญอะไรสำหรับสังคมวันๆไม่ได้พบปะผู้คนมากมายอยู่แต่กับทุ่งหญ้าแล้วก็แกะแต่ในวันเวลาแต่ละปีสำหรับชีวิตของคนเลี้ยงแกะแต่ละปีก็ผ่านเลยไปอย่างช้าๆงานที่เต็มไปได้วยความอันตรายไม่มีใครอยากจะเป็นคนเลี้ยงแกะเพราะว่ามันไม่ได้ร่ารวยมันไม่ได้สบาย ถ้าเรามีเรื่องที่สำคัญเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเราก็อาจจะไม่เลือกที่จะบอกคนเลี้ยงแก่แต่ในความคิดของมนุษยกับความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนกันโรมบทที่9ข้อที่สิบห้าถึงข้อที่16เราประสงค์จะการุณาผู้ใดเราก็จะการุณาผู้นั้นเราจะเมตตาใคร เราก็จะเมตตาผู้นั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นอยู่กับแก่ความตั้งใจหรือความตะเกียกตะกายแต่ขึ้นอยู่กับพักรุณาของพระเจ้าการเลือกของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของมนุษย์และเป็นการยากที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าจะเลือกใครและพระเจ้าจะไม่เลือกใครแต่สิ่งเดียวที่เรารู้ คือพระเจ้าเต็มไปด้วยพระกรุณาและการเลือกของพระเจ้านั้นถือเป็นพระคุณเมื่อพระองค์ทรงเลือกใครพระองค์รู้ว่าเขาจะตอบสนองต่อพระคุณและพระกรุณาของพระเจ้าอย่างไรเช่นเดียวกันกับที่พระเจ้าเลือกคนเลี้ยงแกะเพราะพระองค์รู้ว่าและพระองค์ทราบว่าคนเลี้ยงแกะจะตื่นเต้นและปรารถนาอยากที่จะรู้ว่าสิ่งที่คน สิ่งที่ทูตสวรรค์ได้มาบอกแก่เขานั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ประการที่สองทำไมต้องคนเลี้ยงแก่เพราะว่าเมื่อคนเลี้ยงแก่เขาทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขามีความเชื่อและแสวงหาจนพบสิ่งนั้นช่วงเวลาที่คนที่ทูตสวรรค์บอกกับคนเลี้ยงแก่ มันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังพักผ่อนมันเป็นช่วงเวลากลางคืนเขาเหนื่อยมาตลอดทั้งวันอยู่ท่ามกลางแดดทูสวรรค์บอกเรื่องการประสูตรของพระเยซูคริสต์ปฏิกิริยาของคนเลี้ยงแกะถ้าดูจากความเหนื่อยล้าคนเลี้ยงแกะอาจจะกล่าวว่านี่ช่างเป็นข่าวที่น่า ย, ยินดีให้เรารีบนอนกันเถิดเอาแรงเอาไว้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ตื่นแต่เช้าแล้วไปตามที่ผู้สวรรค์ได้บอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสาหรับคนเลี้ยงแกะไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อผู้สวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาลุกขึ้นทันที และกล่าวแก่กันว่าไปไปดูเหตุการณ์นั้นที่พระเจ้าได้แจ้งแก่เราเขาเชื่อและเขาตั้งใจที่จะสแสวงหาจนพบเขาลุกขึ้นและมุ่งสู่จุดหมายที่ทูตสวรรค์ได้บอกเขาออกเดินทางด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจเขายังอาจจะสงสยัยจริงๆแล้วเขาอาจจะสงสัยก็ได้แต่สาหรับคนเลี้ยงแกะ เขาลุกขึ้นทันทีและออกเดินทางปราศจากความสงสัยแม้แต่น้อยว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดนั้นมันเป็นความจริงหรือไม่คนอิสราเอลทุกคนมีความหวังอันเดียวกันคือการที่จะได้เจอกับพระเมสสิยาการรอคอยพระเมสสิยาบางครั้งการรอคอยพระเมสสิยาสําหรับคนอิสราเอลมันผ่านไปปีแล้วปีเล่า ดูเหมือนเป็นการรอคอยที่เลื่อนลอยแต่สำหรับคนคนหนึ่งถ้าเขามีโอกาสและรู้แล้วว่าพระเมสยามาบังเกิดผู้ที่จะนำสันติสุขของพระเจ้ามายังชีวิตของคนอิสราเอลดังนั้นเมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกข่าวนี้แก่คนอิสราเอลแก่คนเลี้ยงแกะเขาจึงเชื่อว่าพระเจ้าเลือกให้เขามีโอกาส ได้เข้าเฝ้าพระเมสิยาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของคนเลี้ยงแกะเขาจะไม่รอคอยแม้วินาทีเดียวที่จะได้มีโอกาสพบกับพระกุมารเขาเชื่อว่าสิ่งที่ทูตของพระเจ้าได้มาแจ้งแก่เขานั้นเป็นความจริงและเขาเดินทางไปยังเบตเลเฮมและสิ่งที่เขาพบเขาพบพระเยซูพบนางมารี โยเซฟและพระกุมาร น, น้อยพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรัง้าแต่สิ่งหนึ่งคนเลี้ยงแกะไม่ได้แค่เข้าเฝ้าพระกุมารแล้วกลับไปด้วยความชื่นชมยินดีในข้อที่สิบเจดและข้อที่18ครั้นเขาได้เห็นแล้วเขาจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงกุมาร น, นั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจ ด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแก่ได้บอกแก่เขาพระเจ้าเลือกคนเลี้ยงแก่ไม่ใช่แค่ให้ได้มีโอกาสพบกับพระเมสสิยาแต่ยังมีแต่เขายังเป็นคนหนึ่งที่บอกข่าวนี้แก่คนอื่นเขากลายเป็นผู้ประกาศกลุ่มแรกที่เล่าถึงเรื่องแห่งความชื่นชมยินดีนี้แก่คนอื่น เมื่อคนเลี้ยงแกะทราบข่าวดีเขาไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแต่เขาลุกขึ้นสแสวงหาจนพบความจริงที่พระเจ้าได้บอกแกเขาและเมื่อเขามีประสบการณ์กับสิ่งนั้นเขาไม่รอคอยแม้วิญญาทีเดียวที่จะออกไปแล้วบอกข่าวนี้แกคนอื่นมีเรื่องเล่าว่า นักแสดงเชคสเปียร์คนหนึ่งเขามักจะทำการแสดงด้วยการอ่านบทประพันธ์ของเชคสเปียร์โดยที่เป็นการอ่านแล้วใส่อารมณ์ของตัวละครเข้าไปในนั้นด้วยซึ่งเป็นความบันเทิงและเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเชคสเปียร์ชายคนนี้ทุกครั้งที่เขาแสดงจบเขาจะอ่านสะดุดีบทที่23โดยอ่านแล้วก็ใส่อารมณ์แบบละคร ทุกคืนเขาอ่านสดุดีบทที่23ท้ายการแสดงของเขาผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจและเมื่อเขาอ่านจบคนก็จะยืนขึ้นแล้วก็ปรบมือให้เพราะความสามารถอันหาที่เปรียบไม่ได้ของเขาแต่แล้วคืนหนึ่งหลังจากที่เขาจบการแสดงเขากำลังจะเริ่มต้นอ่านสดุดีบทบทที่23 ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่ของผู้ชมลุกขึ้นแล้วก็ถามว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขออนุญาตอ่านสรุดีบทที่ยี่สิบสามนี้นักแสดงท่านนั้นก็มีความรู้สึกแปลกๆแต่ก็ด้วยความที่เขาขอต่อหน้าผู้ชมทั้งหมดเขาก็ยินยอมที่ให้ชายหนุ่มคนนั้น ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางเวทีและชายหนุ่มคนนั้นก็เริ่มต้นอ่านเริ่มต้นกล่าวสดุดีบทที่23ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วเมื่อเขาอ่านจบไม่มีแม้กระทั่งเสียงปรบมือไม่มีใครยืนขึ้นทุกอย่างเงียบ นักแสดงท่านนั้นมองลงไปที่ผู้ชมสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งเดียวคือเสียงสะอื้นไห้ร้องไห้และเมื่อเขามองลงไปยังผู้ชมในตาของแต่ละคนคลอไปด้วยน้ำตาชายที่เป็นนักแสดงคนนั้นหันมาถามชายหนุ่มคนนั้นว่า ผมอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ยีสาให้ผู้ชมฟังมาหลายปีไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่ได้รับการตอบสนองแบบนี้มาก่อนผมอยากจะรู้ว่าคุณมีเคล็ดรับอะไรชายหนุ่มคนนั้นกล่าวตอบไปว่า คุณอาจจะท่องและรู้จักพระธรรมสะดุดีแต่สำหรับผมพระเจ้าคือผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงในชีวิตและนี่คือสิ่งที่เรามีไม่เหมือนกันพี่น้องที่รักการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสมันไม่ใช่แค่เรารู้เรื่องของพระเยซู การที่เรารู้เรื่องพระเยซูเกิดยังไงเกิดที่ไหนมันเป็นความรู้แค่ผิวเผินจนเกินไปแต่คริสต์มาสมีความหมายและจะแตะต้องชีวิตของเราได้เมื่อเราได้มีประสบการณ์กับพระเยซูผู้มาบังเกิดคนจํานวนไม่น้อยเติบโตและรู้เรื่องพระเยซูแต่เขาขาดความเชื่อ และการสแสวงหาจนพบพระองค์เป็นการส่วนตัวความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถยัดเยียดให้แก่ใครได้คริสต์มาสจะมีความหมายถ้าพระเจ้าเลือกและเรียกให้เขาหรือใครคนใดคนหนึ่งให้มีโอกาสรู้จักกับพระองค์และเขาตอบสนองเขาเชื่อและเขาสแสวงหา จนพบพระองค์เป็นการส่วนตัวความเชื่อจะเติบโตและอย่างลากลึกเมื่อคนคนนั้นสําแดงความเชื่อโดยการกระทำบางสิ่งบางอย่างคนเลี้ยงแกะเมื่อเขาได้ยินข่าวการประสูตดของพระเยซูเขาได้รู้และได้ยินข่าวจากทูตสวรรค์แต่ทูตสวรรค์ไม่ได้สั่งว่าจงลุกและออกเดินทางไปเฝ้า มันเป็นการตัดสินใจของคนเลี้ยงแกะเองที่เขาจะเชื่อสิ่งนั้นและลุกขึ้นออกไปสแสวงหาจนพบเหตุการณ์นั้นและนี่คือสิ่งที่คนเลี้ยงแกะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ได้ยินข่าวประเสริฐแต่เป็นคนที่มีประสบการณ์กับข่าวประเสริฐนั้นและสิ่งที่เขาได้เล่าออกไป มันคือคำพยานชีวิตของเขาที่ได้มีโอกาสสัมผัสและเจอกับพระเมสยาพระเจ้าเลือกเราไม่ใช่เพราะว่าเราดีแต่พระองค์เลือกเราเพราะเพระาะมีพระคุณต่อชีวิตของเราเลือกเราแม้ว่าคนทั้งโลกจะไม่เลือกเราเห็นเราแม้ว่าจะไม่มีคนเห็นเรา และพระองค์รู้ว่าเมื่อพระองค์เลือกเราแล้วเราจะเชื่อและเราจะแสวงหาจนรู้จักกับพระองค์มีประสบะการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวมีประสบะการณ์ด้วยชีวิตของเราจนเราสามารถพูดได้ว่าข้าพเจ้ารู้จักและพบพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตของข้าพเจ้าคนจะรู้ว่า พระเจ้ามีอยู่จริงไม่ใช่เพราะว่าเราบอกเท่านั้นแต่เพราะว่าเขาสัมผัสพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราได้ด้วยขอให้คริสต์มาสในปีนี้เราแต่ละคนจะได้มีโอกาสพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและเราจะได้มีโอกาสได้นําคนอื่นๆให้มีโอกาสพบกับพระองค์เป็นการส่วนตัวเหมือนคนเลี้ยงแกะ ได้พบกับพระเมสิยาขอพระเจ้าเอวาพรค่ะ